ธรรมชาดกแผ่นที่เจ็ดลำดับที่ส7เจ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ 3, สเมษายน2554หมีชื่อเรื่องว่ายุยงสงให้แตกกัน วันนี้เป็นวันที่สามเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่อย่างที่งานหลวงตาที่ผ่านมาเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อว่าได้ขนาดนี้หลวงพ่อก็เป็นที่พอใจอย่างมากแอแต่ว่าเรื่องที่จะคนที่พูดออกไปมีมากมายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไม่ใช่แต่บัตรสนเทศเท่านั้น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 ถึงร้อยปีพระสงฆ์สององค์นั้นแปลว่าใจร้อนตลอดเลยไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการไหว้พระไม่มีการสาธยายไม่มีการภาวนาเลยเหมนกันแะเออมีแต่โอ้ทําไมองค์นั้นยังพูดให้คาทางองค์นั้นเออทาไมองค์นี้ยังพูดให้คาแต่ที่แท้ไม่ได้พูดทั้งสองทั้งสององค์แต่องค์กลางเนี่ยองคธรรมมกถึกเนี่ยไปยุแยงให้พระสององค์ทะเลาะกันผลที่สุดพระธรรมกรถึกที่เป็นองค์ยุแยงนี่ก็ ตายจากสมัยนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจป่าเนี่ยคนอายุยืนถึงสองหมื่นปีท่านปฏิบัติธรรมมาทั้งสองหมื่นปีไม่สามารถที่จะคุ้มครองบาปอากุศลจุดนั้นได้ท่านก็ลงสู่เอเวจีมหานารกเพราะยุโยงสองสองให้แตกกั น, นว่าสังฆเภทยสังฆเภศคือยุโยงสงให้แตกกันให้เป็นฝักฝ่ายให้เป็นฝักฝ่ายให้ไม่เข้าใจกันคือหาเรื่อง ตกลงตกอเวจีมหานรกพอเกิดมาชาตินี้มาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะนี่มาเกิดเป็นเปรตอยู่ที่ตีนเขาคิจกูดพระโมคคลากับพระลักษณะลงมาจากตีนเขาท่านไปพักอยู่ที่เขาคิจกูดกลางคืนท่านไปบำเพ็ญอยู่กลางคืนพักผ่อนกลางคืนพอตอนเชา้ามาท่านก็นลงมาจากตีนมาลงมาจากเขาคิจกูด ท่านก็มาเห็นเปรตพระมหาพระโมกคลาท่านก็ยิ้มโอ้ทำไมใช้กรรมขนาดนี้เนอะเปรตนี่นะพระลักษณะที่เป็นปัจฉิชมณะคือเป็นเพื่อนก็ว่าท่านอาจารย์โมกคลาทำไมท่านยิ้มด้วยเหตุอันใดหนาครับพระโมคคลาบอกว่าให้เราให้ผมไปถึงสานักพระพุทธเจ้าก่อนนะอยู่ต่อพระพักดพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก่อน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 ไหลออกจากปากแล้วก็มีหนอนออกจากปากยย่เยะไปหมดผมเห็นแล้วโอ้โหทำไมใช้กลัมอะไรมากมายนักหนาถึงขนาดนี้ทำไมพระพุทธเจ้าอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเออเนี่สงทั้งหลายลูกศิษย์ของเราตถาคตติโมกคลาเห็นเปลตไม่ใช่เห็นแต่เราแต่เราในเห็นตั้งแต่สมัยอยู่โคลนต้นโพได้วันได้ตัดสรู้นะ่ะวันนั้นน่ะเราเห็นหมด สัพพสัตว์ตทั้งหลายเห็นเปรตทั้งหมดแต่โมกคลาก็เห็นเป็นพยานของเราถ้าเราไม่มีพยานเราจะไม่พูดแต่บัดนี้โมกคลาเป็นพยานให้เราเราจะพูดให้ฟังคือเนี่ยเปรตตัวเนี้สมัยก่อนไปยุแยงให้สูงแตกกันเป็นสองฝ่ายสองพระสององค์ชนิดสนมการองค์เนี่เป็นองค์ที่สามไปยุให้เขาแตกกันเนี่แหละตายจากนั้นมามาตกนรกออกจากนรกมามาเกิดเป็น เปเป็นเปรดอยู่ที่ตีนเขากิจกูดนี่แหละนี่แหละเปรดตัว น, นั้นลหละเพราะยุโยงสงให้แตกจากกันเหตว่าสังฆเพทสังฆเภทบาปหนักนี่แหละหลวงพ่อใครอยากจะศึกษาใค ร, รอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้กันเนี่ยอยู่ในธรรมประทักถฐานอยู่ในปไตยปิฎกนะไปอ่านไปศึกษาได้ อันนี้คือกล่ำคือการกระทำหลวงพ่อเอ้ยใครอย่าไปพูดนะพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะ่ะ เ, เดี๋ยวในศาสนาของพระศรีอาต่อไปภายภาคหน้าพระศรีอริยะเมตรยัยอุบัติขึ้นในโลกอีกท่านก็จะเห็นเอ้ยเปลดหมูเนี่นะยน่ะสมัยหนึ่งสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ปีพระอรหันต์ท่านหนึ่งท่านปรินิพานลูกศิษย์ทะเลาะกัน นี่ยหาเรื่องใส่กันเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องหาเรื่องใส่กันเนี่ยตายและตกนรกออกจากนรกเนี่ยมาเป็นเปร น, นี่ะ เ, เดี๋ยวลูกศิษย์ของพระีอารก็จะได้เห็นเพราะกรรมมันนั่นแหละหลวงพ่อว่าอย่าไปคิดสร้างกรรมที่มันไม่ดีถ้าหลวงพ่อพูดถึงสิ่งไม่ดีก็พูดมาแตตรงนี้หลวงพ่ออินพูดไม่ถูกนะก็ยินดี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 แต่ผลมันออกมาเนี่ยอย่างที่วาดไทยโพสไทยเพศอย่างที่ว่าเนี่ยชนผงสนเทอย่างที่ว่าน่ยออกมาหลวงพ่อก็ยินดีรับเหมือนกันเป็นกระจกเงานะแต่พอถึงยังไงก็ตามนะผู้ที่พูดต้องคิดให้ดีซะก่อนนะเออต้องคิดให้ดีซะก่อนนะก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดอกรรมตัว น, นั้นไม่ไปไหนแล้วต้องไปสู่การกระทําของผู้ที่พูดที่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดี เ, เดี๋ยวไป เกิดในศาสนาภาษีอ่านที่ก็จะเป็นอย่างเปรตหมูตัวนั้นอนะ่ะทีะ่ที่พระโมกขลาเห็นอนะ่ะกรรมไม่ไปไหนนะกรรมคือการกระทําไปสู่จุดผู้ที่กระทําไม่ดีนั่นแหละอันนี้หลวงพ่อพูดเตือนเตือ น, นทุกขู่ทุกคนไม่ว่าท่านว่าเราเตือนก็ต้องหลวงพ่ออินด้วยวนะันนั้นแตหลวงพ่ออินเอ้ยอย่าไปยุ่แยงให้คนอื่นแตกกันเนะ่ออย่าไปพูดในะสิ่งที่มันไม่ดีเนะ้ อย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ดีเนะ้ออย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเนะ้ออย่าไปพูดในสิ่งที่มันไม่ดีเนะ้อกรรมตามสนองนะอากตังลุกตังเสยโยปัจฉะตปฏิลุกตังยยชชตตกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลให้ตนเดือดร้อนเมื่อภายหลังมันจะให้ตนตนเป็นทุกข์เมื่อภายหลั ง, อ ย, ลงอย่างเปรดตัวนั้นนะ่เมื่อทํำก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอทําไปแล้วนะมันใสกร้ำ ใช้กรรมการกระทําของตนเองเป็นทุกข์หยุดนานเท่านานเพราะการกระทำํำเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ทําแต่กรรมดีสิ่งไหนที่ดีให้ทํากรรมนั้นถ้า ก, กรรมที่มันไม่ดีอย่าทำํำถ้าดำแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนั่นแหละวันนี้นะเป็นวันพระเป็นวันพระแรมสิบ แรมสิบห้าค่เดือนสี่วันนี้เป็นเดือนสี่ดับละ ว, วันนี้ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เดือนสี่จบเพียงแทนนี้วันพุ่งนี้ก็เป็นขึ้นหนึ่งคนะนะ่เดือนห้าลนะ้วันเนี่เดือนห้าปีห้าสิบสี่เพราะนั้นพวกเราคณะสัตยาญาติโยมทุกๆท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเอาไว้ สรุปแล้วก็คือคิดดีทดําดีพูดดีฮะทางว่าพวกเราถ้าคิดดีพูดดีทําดีแล้วความสุขความเจริญจะไปที่ไหนกรรมดีทั้งหลายก็จะเข้ามาสู่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าทํากรรมชั่วที่ไม่ไม่ดีแล้วกรรมชั่วนะ่าจะตามสนองเหมือนกันทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมไม่ไปที่ไหนผู้ใดทําใครทำํำก็คนนั้นแหละเป็นผู้ได้รับ ถ, <PTSD> well. ถ้าใครทำกรรมดีคนนั poser, well, Jews, people, ้นก็ได้รับผลดีถ้าใครทำกรรมชั่วคนนั้นก็ได้รับผลชั่วเพราะนั้นโลกนี้โลกหาได้โลกหาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หานรกใส่ตัวเองก็ได้หาเปรตใสตัวเองก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หามักหาผลหาพระอริยบุคคลใส่ตัวเองก็ได้หาได้ทั้งหมดโลกนี้เพราะนั้นพวกเราควรจะหาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวตัวของเรานะตอนนี้ไปรับพร